Oh. นี่เป็นวันดีเป็นวันมงคลนะที่พูดเชนนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามาได้ร่วมกันทำความดีเราทาความดีเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นเวลาดีทาความดีวันไหนวันนั้นก็เป็นวันดีเป็นวันมงคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินนะหรือว่าเทศกาลแล้วที่เราทาความดีเนี่ยส่ว น, นก็คือการที่เราได้มาถวายตาม ที่เรียกว่าสังฆทานานเนี่ยมันเป็นการทําบุญขั้นพื้นฐานของชาวพุทธไม่ว่าเลวลาเป็นการทําความดีขั้นพื้นฐานนะของมนุษย์เราเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะอยู่กันได้ด้วยดีก็เพราะมีความเอื้อเฟือมีน้ําใจมีความเผื่อแผ่ในทาพุทศาสนาเนี่ยบุญก็เป็นทา น, นก็เป็นการบําเพ็ญบุญขั้นต้นอย่างจะเราทราบเนี่ยการบําเพ็ญบุญก็มีหลายระดับ ขั้นต้นก็คือทานขั้นกลางคือศีลขั้นสูงก็คือภาวนาทานที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติกับสิ่งของวัตถุทรัพย์ศีลตีนเป็นเรื่องการปฏิบัติ ด, ด้วยกายด้วยวาจาภาวนานี่ก็เป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยใจซึ่งจุดหมายสําคัญก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาความตระหนักรู้ชัดในความจริง หรือสัจธรรมของชีวิตจนถึงขั้นที่ไม่ยึดติดถือมั่นกับสิ่งใดเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นเราเป็นของเราได้เลยแม้แต่น้อยหรือแม้แต่อย่างเดียวที่จริงการบูรพทานหรือการถวายทานเนี่ยถ้าเราทาให้ดีเนี่ยวางใจถูกต้องเนี่ยมันก็กลายเป็น การส่งเสริมภาวนาหรือเป็นการภาวนาได้ในตัวของมันเองเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยทานเนี่ยวัตถุประ ส, ระสงค์ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อลดความตนหนิอันนี้เป็นประโยชน์ที่ผู้คนอาจจะไม่ค่อยใจตระหนักเท่าไหร่เวลาเราพูดถึงทานเนี่ยเราก็นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับ แม้ผู้รับนั้นจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าเป็นคนธรรมดาหรือว่าแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยทานที่เราให้มันก็เป็นประโยชน์กับบุคคลหรือว่าท่านเหล่านั้นโดยเพราะช่วยบำบัดความทุกข์ยากหรือช่วยเป็นกําลังให้ท่านสามารถทําความดีได้มากขึ้นอย่างทานที่ถวายกับพระเนี่ย ตัวนึงก็ด้วยบำรุงเลือดเนื้อชีวิตของท่านให้ดำรงคงเพศภมรมจันทร์หรือว่าบำเพ็ญกรรมฐานบำเพ็ญทรนาให้เจริญงอกงามอีกส่วนนึงก็เป็นกำลังให้กับท่านในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราเห็นได้ชัดเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้อาหารปรจัจจัยสที่ให้ กับใครก็าตามเนี่ยประโยชน์มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วในส่วนประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังปรากฏกับผู้ให้ด้วยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้หรือที่เราเรียกว่าปฏิคาหกเนี่ยซึ่งก็คือพวกเราในวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายประการนะที่หลายคนนึกถึงก็คืออายุวันณนะสุขภัลละหรือว่า ถ้าขยายไปก็ได้แก่ความมั่งมีหรือว่าการมีโชคมีลาภความสำเร็จในกิจการงานในการเรียนอันนี้ก็เป็นอันที่ส่งหรือประโยชน์ซึ่งเราจะเรียกคลุ่มๆก็ได้ว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ทางโลกซึ่งก็เป็นที่หมายปองของผู้คนแต่ประโยชน์ที่สำคัญกว่านั้นที่เรามักจะมองข้ามไปก็คือประโยชน์ทางจิตใจประโยชน์ทางจิตใจนี้หมายถึงการ ช่วยทําให้จิตใจเนี่ยผองสายเบิกบานทีแรกก็เบิกบานผองสายเพราะได้ทําความดีเกิดความปิติหลายคนได้ถวายถ้าได้ถวายทานกับครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือก็ย่อมเกิดปิติปราโมทย์อันนี้เป็นประโยชน์ทางใจทําให้เกิดความอิ่มเอิบเป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ประโยชน์ที่ลึกไป น, นั้นก็คือ มันช่วยขัดเกลากินเลยอันนี้เป็นวัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่งของการถวายทานคือลดความตะหน่ความตเน่ยก็คือความโลภนั่นเองมันก็คือความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินในสิ่งของถ้าเราให้ทานเป็นเนี่ยความโลภในใจเราก็จะน้อยลงความยึดติดถือมั่นในใจเราก็จะน้อยลง แต่ถ้าทำไม่ถูกวางจะไม่เป็นเนี่ยความรวบจะเพิ่มมากขึ้นนะหรือว่าความจู้จิกือมั่นก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นถวายสิบอยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้พันอยากถูกหวยอยากได้ถูกลอตเตอรี่หรือว่าประสบความสำเร็จในการเล่นการพ น, นันถวายทานแล้วก็หวังว่า คุณจะขึ้นจะได้ร่ำรวยมากขึ้นอันนี้เรียกว่ามันไม่ได้ลดความตันหนีเลยนะแต่มันไปเพิ่มความตันหนีเพิ่มความโลกซึ่งไม่ใช่เป็นอันที่สูงที่แท้ของการบาเพ็ญทานถ้าเราได้ทานเป็นเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยโรคน้อยลงยึดติดถือมั่นน้อยลงเพราะขณะที่เราสละของ เราก็สลักกิเลสไปด้วยเวลาเราถวายทานเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะได้โชคได้ราบอะไรแต่เรามุ่งถึงประโยชน์สุขของผู้รับไม่ว่าจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าเป็นคนยากไร้หรือว่าแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราคิดถึงประโยชน์สุขของเขาเป็นหลักเราไม่ได้ปราชนาอะไรที่จะเอาเข้าตัวเลยอันนี้ก็ช่วยลดกิเลสชว่วยความตนหนได้ เพราะในงนอย่างน่งเนี่ยการถวายทาเนี่ยมันก็เป็นการลดความยึดติดถือมั่นและช่วยให้เกิดการปล่อยวางมากการปล่อยวางเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะอย่างที่คูแกบเมื่อวานหรือเมื่อวันแรกเนี่ยคนเรากลัวตายเนยเพราะความยึดติดถือมั่นซึ่งมันอุปสรรคต่อการที่เราจะตายสงบและมันไม่ใช่เป็นอุปสรต่อการตายสงบอย่างเดียวนะมันเป็นอุปสรรคต่อการมีชีวิตทีอ่องใสเบิกบาน เพาะความเป็นคนเราเนี่ยหรือเพาความสุกขใจยก็รู้จักเกิดจากความยึดติดถือมั่นถ้าเรารู้จักปล่อยวางบ้างปล่อยวางเป็นอาชีพปล่อยวางเป็นนิโดยที่ไม่ทิ้งแต่จนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราคลายความยึดมั่นในบุคคลซึ่งเป็นที่รักของเราเมื่อเขาจากไปเราก็จะเสียใจน้อยไม่ใช่เพราะไม่รักเขาแต่เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง พบกับพรากเจอกับจา่ารักกับเลิกเป็นของคู่กันเช่นเดียวกันกันกบมีกับหมดได้กับเสียให้เราสามารถจะนั้นภารกิจของเราอย่างหนึง่งในชาตที่เป็นชาวพุทธหรือมนุษย์ที่ปราสนาวความสุข ก, ก็คือลดความทุกขิตถือมันไปเรื่อยๆเรารู้จักปล่อยวางให้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราสามารถจะทำได้ในขณะที่เราถวายทาน เริมตั้งแต่ว่าชไก่ช า, า, าเราก็ไม่ได้หวังประโยชน์ส่วนตนที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกชาจะหวังก็หวังให้กิเลสน้อยลงแตนิยลดลงนะความที่ติดถือมั่นน้อยลงที่เป็นการปล่อยวางเรีวยกว่าปล่อยวางในผลแห่งบุญที่ได้ทํากับผลแห่งบุญที่ได้ทําเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ราบโทษหรือว่า ความมั่งมีอย่างเดียวบางทีเราก็ปราสนาคำสรรเสริญด้วยหลายคนเวลาถวายทานก็อยากจะให้คนรับรู้ว่าเราถวายทานอยากจะให้คนสรรเสริญว่าเราถวายทานซึ่งก็อาจจะทาให้เกิดความทุกข์ได้เท่าเกิดว่าไม่มีคนเห็นไม่มีคนรับรู้หรือว่าไม่มีคนสรรเสริญ หลายคนเนี่ยเพราะฉะนั้ น, นเวลามาถวายทานเนี่ยจะต้องจำทำทุกอย่างให้คนได้รับรู้ว่าเราได้ถวายทานถึงขั้นอยากจะประกาศให้โลกรับรู้เช่นถวายทานเสร็จต้องมีการถ่ายรูปเพื่ออะไรเพื่อลง Facebook แล้วก็เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าฉันนะทําความดีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถวายทานอย่างเดียวนะ ไปปฏิบัติธรรมก็ต้องถ่ายรูปเดินจงกรมก็ต้องถ่ายรูปเพื่ออะไรเพื่อขึ้น a c e b o o k ประกาศให้โลกรู้ว่าในฉันมาปฏิบัติธรรมอันนี้กิเลสไม่ได้ลดลงเลยนะกิเลสเพิ่มขึ้นเพราะว่าปราถนาคำสรรเสริญเป็นการเพิ่มพูนอัตตามา น, นะทำให้ยึดติดถือมั่นมากขึ้นไม่ใช่ในทรัพย์สินนะแต่ว่าในตัวกูของกูซึ่งก็เป็นอุปสรรคนะของการตายดีตายสงบ และเป็นตัวขัดขวางการมีชีวิตที่ผาสุกราบรื่นแต่ถ้าเราเวล า, เาถวายทานเราไม่ได้ปรารถนาจะให้คนรับรู้ไม่ได้ปรารถนาจะให้โลกได้สารเสริญพร้อมที่จะทําความดีถวายทานอย่างเงียบเงียบไม่ประกาศให้โลกรู้ไม่ทิ้งชื่อเอาไว้อันนี้มันก็ช่วยลดความต น, นิลดความโลภลดความลดตัว ต, วตนได้ ซึ่งใหม่ๆเนี่ยจะทํายากเพราะว่าตัวอัตตาเนี่ยมันจะไม่ยอมมันต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันทําความดีแล้วตัวตาเนี่ยทำให้หลายคนมีความทุกข์นะไม่ใช่เพราะเวลาถวายทานเท่านั้นเวลาทําความดีแล้วไม่มีคนเห็นบักจํามีคนมาตัดข้อบดว่าทําไมทําดีแล้วไม่มีคนเห็นทําไมทําดีแล้วไม่มีคนสรรเสริมหรือบางทีก็พูดว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดี นี่เพราะว่าเนี่ยมีความยึติดถือมั่นในผลยังความดีขึ้นชื่อว่าความยึดติดถือมั่นแล้วเนี่ยไม่ว่ายึดอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะแม้สิ่งที่ทําจะเป็นความดีแต่พอไปยึดเข้าแล้วเนี่ยมันกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นสิ่งไม่ดีได้แม้กระทั่งการทําบุญเคยมีโยมเนี่ยไปกราบหลวงปู่บุตรดาแล้วก็ถวายสังฆทาน ให้กับหลวงปู่บุตตาหลวงปู่รับเสร็จหลวงพว่อหลวงปู่ก็ยื่นกระป๋องแป้งให้กับโยคมคนนั้นบอกว่าช่วยไปโลยให้หมาตัวหนึ่งในวัดเป็นหมาขี้เรือนแล้วท่านก็พูดเพิ่มเติมว่าไอ ห, หมาตัวเนี้ยแต่กอนเนี้ยมันเคยสร้างวัดแล้วก็หวงวัดมากเลยใครมาทําให้วัดสปกปรกมันจะก็จะไม่พอใจ พอกลายเป็นหมาเนี่ยมันจะหวงวัดมากเลยช่วยไปลดช่วยออกแป้งไปไปพรอมให้มันหน่อยนะเพราะมันกลายเป็นหมาขี้เลื่อนเป็นแล้วโยงนั่งฟังแล้วก็สะดุดใจขึ้นมาเลยหลวงปู่กำลังสอนว่าอะไรหลวงปู่กำลังสอนว่าอย่ายึดติดถือมั่นในผลแห่งบุญคนที่สร้างวัดแล้วก็ติดยึดในวัดที่สร้างว่าเป็นของกูของกูเนี่ยตายแล้วก็ไม่ได้ไปดีนะตายแล้วก็ไปเป็นหมาเฝ้าวัด นี่หลวงปู่ชั้นกันกำลังจะบอกและเป็นหมาขี้เลื้อนด้วยโยงมาท่านฟังแล้วก็ได้คิดเลยนะว่าเออเราอย่าไปยึดมั่นในในของของเราเลยนะแล้วหลายคนเป็นอย่างนั้นนะเวลาถวายอาหารให้หลวงพ่อเวลาถวายจีวรให้กับหลวงตาก็จะคอยดูว่าหลวงพ่อฉันอาหารของเราไหมหลวงตาคลองจีวรของเราไหม อันนี้เป็นการสะท้อนถึงความยึดมั่นอย่างหนึ่งยังปล่อยวางไม่ได้เพราะถวายให้ท่านไปแล้วก็เป็นของท่านเสียไม่ใช่ของเราอาหารที่ถวายก็เป็นของท่านไม่ใช่อาหารของเราจีวรที่ถวายก็เป็นจีวรของท่านไม่ใช่จีวรของเราแต่ให้แล้วก็ยังยึดว่าเป็นของเราหลายคนจึงไม่สบายใจไม่พอใจเป็นทุกข์ที่หลวงปู่ไม่ครองจีวรของเราหลวงพ่อไม่ฉันอาหารของเรา ความทุกข์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากความยึดว่ายังเป็นของเราอยู่ให้เนี่ยยังให้แบบไม่เสด็จน้ําให้ด้วยมือนะแต่ว่าใจยังยึดว่าเป็นของเราอาหารของเราจีวรของเราหรือบางคนที่สร้างวัดก็วัดของเราหรือวัดของกูวัดของกูเวลาจะตายนี่ก็ยังนึกถึงวัดว่าใครจะดูแลวัดของกูหรือว่าไม่พอใจคนที่มาทําให้วัดของกูสบกบ ในสุดท้ายเศร้าหมองเลยนะแม่จะทําบุญมามากเนะี่ยแต่ว่ายึดว่าวัดของกูวัดของกูตายไปแล้วจึงไม่ได้ไปไหนกลายเป็นหมาเฝ้าวัดอันนี้มันสะท้อนเห็นว่าเนี่ยแม้แต่บุญนี่ก็ยึดมันถือมันไม่ได้ผลแห่งความดีก็เป็นกันยึดมันถือมันไม่ได้เพราะจะยึดมันถือมันเมื่อไหร่ความดีนั้นจะกลายเป็นโทษทันทีหลวงพ่อเฟื่องนั่นเคยพูดว่าเนี่ยแม่ความในของเราจะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิด ความในของเราแม่จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดอันนี้ท่านกำลังพูดว่าเนี่ยมันกระทั่งความเห็นหรือทิฏฐิเทระคีวันดีเนี่ยยึดเมื่อไหร่มันผิดเมื่อ น, นั้นเลยเพราะมันทําให้เกิดโทษเกิดความไม่พอใจเวลาคนเห็นต่างจากเราหรือเวลาคนที่ไม่ทําความดีอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราคิดนี่ขนาดความคิดนะการกระทำก็เหมือนกันนะทำดีแต่ถ้าไปยึดติดมันก็เป็นทุกข์เพราะนั่นต้องฝึกนะฝึกจักการให้ทานนี่แนะ เวลาถวายทานเนี่ยเราฝึกการยึดมั่นถือมัน่นเริ่มจากการปล่อยวางในทรัพย์ในสิ่งของถวายท่านก็เป็นของท่านไปแล้วไม่ใช่ของเราท่านจะใช้อะไรเป็นเรื่องของท่านเราไม่ไปใส่ใจเพราะว่าปล่อยวางแนละปล่อยวางในผลแห่งทานหรือผลแห่งความดีที่ทําอันนี้ก็สําคัญผลแห่งความดีจะมีอะไรจะได้แก่อะไรเราก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่น จะเป็นอายุวันณสุขาภพระรจะเป็นคําสรรเสริญเยินยอเราก็ไม่สนใจไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ที่เรื่องต้องฝึกนะฝึกปล่อยวางจากการบําเพ็ญทานแล้วต่อไปก็ฝึกปล่อยวางจากการทําความดีทําความดีทําเงียบๆไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่อวดด้วย เวลาคนเราทําความดีมีคนชื่นชมนี่ก็อดไม่ได้ที่จะอวด น, นะแล้วยิ่งสมัยนี้มี Facebook มีทวิตเตอร์ก็อดไม่ได้ที่จะประ ก, กาศให้โลกรู้ว่าเราได้ทําความดีอะไรบ้างหรือถึงไม่มี facebook ก็อยากจะพูดอยากจะอวดว่าฉันได้ทําอะไรที่ดีบ้างทาความดีนั้นดีนะแต่พอเราอยากจะอวดมันจะกลายเป็นไม่ดีไปได้ แต่ว่าใหม่ๆนี่มันจะอดอัดอัดอ้นตอนใจนะทำความยืแล้วไม่ได้ปวดไม่ได้ไม่ได้โชว์เนี่ยมันอึดอัดมากเลยแต่ว่านั่นแหละนะคือเป็นแบบฝึกหัดอัตตานี่มันอยากจะประกาศให้โลกรู้แต่เราไม่ยอมทำตามอัตตานี่ก็เป็นวิธีการฝึกใจให้เอาชนะอัตตาได้เอาชนะความยึดติดถือมั่นในตัวตนก็เป็นภาวนาแบบหนึ่ง มันกลายเป็นการบาเพ็ญบุญขั้นสูงได้ตามใ้ที่เราไม่ได้กระทากับสิ่งของแต่ว่ากระทาที่ใจของเราด้วยหรือการฝึกใจให้เราฝึกเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นการทาบุญการทาความดีเราไม่ยึดติดในผลแห่งความดีนะั้นหรือไม่คาดหวังในผลแห่งความดีใครจะรู้หรือใครไม่รู้ก็ไม่สนใจ แล้วก็ไม่ควนขอยที่จะประกาศให้โลกรู้ไม่คุนคอยที่จะโอ้อวดด้วยแล้นะว่ามันจะอัดอั้นตันใจเพราะว่าไม่ได้อวดไม่ได้โชว์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทําไปทำไปมันจะสงบมันจะสบายแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวตนที่เล็กลงก็ทําให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราจะปล่อยวางเสียแต่วันนี้เมื่อถึงวันสุดท้ายงเราเราก็จะปล่อยวางได้ง่าย และเราก็จะไม่หวั่นกลัวความตายเพราะว่าไม่กลัวความพัดภาคสูญเสียที่ไม่กลัวเพราะว่าไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ยึดว่าอะไรเป็นของเรามันก็ไม่มีความสูญเสียเมื่อไม่ยึดว่ามีมันก็ไม่มีคาว่าหมดเมื่อไม่ยึดสิ่งที่ได้มันก็ไม่มีคาว่าเสียตอนนี้เนี่ยการเป็นทานของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือมันเป็น การบำเพ็ญสังกทานไม่ใช่ทานธรรมดาซึ่งทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญกับการถวายสังกทานมากถือว่าเป็นการบาเพ็ญบุญที่มีอนิสงส์มากเพราะอะไรนเะพระสาะพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับกลุนะ่คณะส่วนรวมมากกว่าตัวบุคคลถวายทานโดยจอจงบุคคลเนี่ยแม้จะเป็นพระเราไม่เรียกว่าสังกทานเราเรียกว่าปาติบุคคลิกทาน ถ้าถวายจอดจงนะแม้จะจอดจงเพราะท่านเป็นพระอรหันต์หรือเพราะเป็นพระพุทธเจ้าทานนั้นก็ยังเป็นปาติบุคลิกถานไม่ใช่ชังกถามชัางานี่คือทานที่ถวายกับสงฆ์คือเป็นหมู่คณะโดยไม่จอะจงว่าเป็นใครให้หมู่คณะตกลงกันเองว่าจะมอบของที่เราถวายนั้นให้กับใครเมือ่อจะเป็นภ้าปาเมือ่อจะเป็น ภาคกรถิ่หรือว่าสังกัชาที่ถวายในวันนี้ซึ่งอาตมาก็รับในนามของสงฆ์แล้วก็ไปมอบให้กับสงฆ์ในวันต่อไปอันนี้มันเป็นการส่งเสริมหมู่คณะแทนที่จะส่งเสริมตัวบุคคลเพราะพุทธศาสนาอยู่ได้เนี่ยเพราะส่วนรวมพ่อหมู่คณะที่รีว่าบริษัทซึ่งก็มีทั้งภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัท เฉพาะพิสูจบริษัทเนี่ยนะความหมายนั่นก็คือสังฆะหรือสงฆ์ที่เราถวายสังฆทานคือถวายกับสงฆ์เพื่อเป็นกำลังให้กับคณะสงฆ์หมู่คณะในการบาเพ็ญกิจทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ทรรมไม่ได้จอดจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นผู้เจ้าเนี่ยก็อยู่ในโลกนี้เพียงแค่80ิปีหรือ1้อยปีแต่ถ้า mm hmm. ว่าเราให เราให้ความสำคัญกับหมู่คณะหมู่คณะนั้นก็สามารถจะยาวอยู่ยั่งยืนได้เป็นร้อยเป็นพันปีแต่ผู้เจ้าเนี่ยมีประชนมายุแค่แ0ปีแต่คณะสงฆ์ที่ทรงสร้างขึ้ น, นเนีมีอายุถึง 2,600 กว่าปีแล้วคุธศาสนาเท้าฝาาเอาฝากเอาไว้กับตัวบุคคลก็ก็จะสูญไตน่านแล้ว แต่พุทธศาสนาฝากเอาไว้กับบุคคณะกับบริษัทจึงย่างยืนมาจนถึงทุกวันนี้งนั้นถ้าเราจะอุปมสมพุทศาสนาก็คุณอุปสมบุคคละจะเป็นสังคบริษัทหรือว่าอุบาสกบริษัทผู้ฝ่ายธรรมอุบาสิกาบริษัทผู้ฝ่ายธรรมก็ดีทั้งนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีพิสุนีบริษัทอันนี้ก็อุนงส่งเสริมมันก็เป็นการอุปสมบํารมพุทธศาสนาในระยะยาว ในสังฆทานเนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าเป็นการบําเพ็ญบุญให้กับผู้ที่รงลับอย่างที่เราทำในวันนี้เนี่ยนะเราก็ตั้งใจว่าจะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่วงลับผู้ที่ลงลับไปแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในปราโลกสัพเพหยบพเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเกื้อหนุนได้ดีเท่ากับบุญทรัพย์สมบัติที่สร้างที่หามาใน อย่างที่มีชีวิตยอยู่ออกไปไม่ได้เลยในปรโลกแต่ว่าบุญเนี่ยสามารถจะอุดหนุนให้เกิดสุขในสัมแปรภพได้และบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยและบุญที่อุทิดไปให้นี่ก็เกิดจากการที่ถวายกระสงเปลี่ยนของเปลี่ยนเข้าของเป็นหรือที่เราเรียกว่าทานเนี่ยให้เป็นบุญแล้วบุญก็จะอุดิให้กับพืชโลงเับ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนในการที่จะเยียวยาความเศร้าโศกเมื่อเราต้องสูญเสียคนนะธรรมดาเนี่ยไม่ว่าเราทําดีกับใครทําดีแค่ไหนเมื่อท่านจากไปเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทําดีไม่พอหรือบางคนอาจจะัะเลยในการที่จะทาความดีตอบแทนให้กับท่านเหล่านะั้นแต่แม่ท่านจากไปแล้วก็ยังไม่สายที่เราจะทําอะไรดีให้กับท่านวิธีหนึ่งก็คือการ ทำบุญถวายสังฆทานก็เป็นการเยียวยาความเศร้าโศกแล้วก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกผิดที่เราจะที่เกิดขึ้นจากการที่เราละเลยไม่ได้ทําความดีใกับชาติเราท่าน เ, าเพียงพอเป็นการทําความดีกับผู้ที่ร่วงรับไม่มีคําว่าสายแม้ยังแม้ทาไม่ได้หรือไม่ได้ทําในขณะที่ท่านมีช่วย อ, อยู่เมือ่อท่านจากไปแล้วเรายังทําได้อยู่ แท่านอยู่ในสัมราปปรพปาราโลกแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะบูชิบุญให้กระทันได้ดังสังฆทานเนี่ยจึงเป็นฐานที่เนื้อนิสงมากแล้วก็เป็นฐานที่เรานิยมอมเพลินกันโดยเพราะเวลาที่สูญเสียคนนะหรือนิยามที่คนที่เราเคารพรับจากไปก็นโมชนานะีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันทําความดี ด้วยการบําเพ็ญทานในวันนี้ก็ขอให้การบําเพ็ญทานของเราเป็นการภาวนาไปด้วยในตัวเพื่อทําให้เกิดประโยชน์สุขอย่างครบถ้วนทั้งประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมทั้งประโยชน์ท่านและก็ประโยชน์ตนก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนใจต่อจนความดีที่ทุกท่านได้บําเพ็ญในวันนี้ตรงเปน็นพระปัจจัยให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันน่าสุขขปล ะ, พะเพื่อเป็นเข้าใจในการทําความดีทให้ถึงพร้อม ด้วยฐานสินภาวนาขอให้มีสตริรักษาใจขอให้มีปัญญานำพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านทุกประสบสุขด้วยอำ น, นาจแห่งธรรมไม่ว่าจะในยามที่มีสุขภาพดีหรือในอยามที่เจ็บป่วยแม้ป่วยกายแต่ว่าใจผ่องใสเบิกบานและเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ขอให้ได้พบกับความสุขความสงบเย็นมีพนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเท่น